ตางคนต่างพาเพียงกันไปพยาบาลจากปัตตาคีและไปที่กรุงเทพคือถนอนบันหมอบัลหลวงทานของวิจัย <c oughs> จังหรับคณะศิริยานุกศิษย์ทั้งหลายในกรุงเทพก็คับขั่งเป็นกรณีพิเศษจนกระทั่งฝ่ายตารวจแลนยัยงเป็นสถานีบาลก็ส่งคนมาจุดถนนบ้าหมอหลวงบ า, านมีคนมาก ยิงแจ้งไปยังอธิบดีก ร, ตรมตำรวจอธิบดีก ร, ตรมตำรวจเวลานั้นก็มีท่าทิจานพนักจิจอาธิธบดีก ร, ตรมตำรวจเมื่อแจ้งไปยังท่าที่บดีบ่อยๆาอาธิบดีรำคาญเข้าก็าเลยบอกว่าที่บ้านนั้นเขาไม่ได้ไปชมเรื่องการเมืองการโดยชมคราวนั้นที่นั่นเป็นการโดยชมพรักษาอาจารย์ครูเอง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 น้อพ่อกระซิบบอกว่าอีกสามปีที่ฉันตายแน่แล้วก็บอกกับท่านพระครูวัดบันแพนพระครูวัฒนาทพิรมต่ออีกสามปีท่านตายแน่ท่านต่อไม่ได้แล้วก็ไม่อยากแกต่อเพราะร่างกายมาั น, น ท, ทรุดโทรมเต็มทีเคื่องแรงก็ไม่มีตายก็ไม่ดีแต่หู ด, ดีสติปัญญาดีเป็นพิเศษ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 ต้นแบบเฉบับข้อองค์สำเน็จพระพิจิต ร, รตามารบริมสาชนนาสัมมาสัสมพุทธเจา้ามาในราชการไม่ช้านานเท่าไหร่บันเลาร่วมไปร่วมไปตอนนี้หลวงพ่อไม่สอนอะไรมากสอนเฉพาะสีสมาทิปัญญาคล้ายกับองค์สำเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ทรงปลงอายุสังขาร เมื่อนัตวนวังกลางเดือนสามนี้เป็นต้นไปอีกสามเดือนเราจะปรินิพพานที่ระหว่างนางรังทั้งคู่ที่เมืองกุชินาราหลังจากนั้นแล้วองสมเด็จพระบรมศาเจลาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ทรงแสนพะแท้จริง ส, สมาธิปัญญาเป็นทางลัดเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคผล หลวงพ่อป า, านท่านดนสาวกพระองค์สมเด็จพระทศกุล บ, บรมศาสตร์เชนดาสัมมาสัมทธเจ้าก็สอนตามแนวนั้นเหมือนกันพอาสามปีหลังนี้นั้นรู้สึกว่าท่านขยันเป็นพิเศษได้นคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเชตก็มากันมากมาย <c oughs> วันวันหนึ่ง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 มีข้าราชการสัน้หลักผูยใหญ่ตั้งแต่รัฐมนตรีมาจนทางผู้เจ้าในหลายองค์ก็ส่งมาเยี่ยมแต่ด้ว่อาการของหลวงพ่อก็ไม่ดีขึ้นพเราจะเห็นบ น, นักก็ไม่หนักแตอนนี้ท่านมาถึงวัดแล้วก็ไม่เดินไปไหนนีลยบรรดาท่านผู้ต้องบริษัทต่างหลายเป็นที่สหลดใจพราบรรดาลูกศิษย์ทุกหามาก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 คิดไม่เสมอว่าเราคนเดียวเร้ยงตัวรอดจะตายเมื่อไรก็ไม่ใช่ทั้งแปลกแต่ว่ามอย่างนี้รู้ดักจงใหญ่ใจเลยทั้งนี้เพระ อ, อะไรเพราะว่าเจ้าอยู่ในเกณฑ์กรรมที่จะต้องสงเคราะห์ใครตัวใครอีกมากมายจงตั้งจิตอยู่ในครามเวียหังสีรให้เป็นอัตมัญญาทั้งนี้ก็หมายความว่าจงมีเม่ตาหาประมาณไม่ได้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 วิชฉาทิฏฐิทั้งหลายทัองที่ครองข้อเหลืองแล้วก็เมืองจางเกยงเุืองข่าุงต่คนเมืงหลายเหล่านี้มีมากจนปล่อยเขาอย่าสนใจในเขาเอาจะลูกรักทุกคนไปนอนได้ท่าสั่งแล้วพกเราก็มองดูนาฬิกาเป็นเวลาสี่นาฬิกาพอดีมันก็ไม่ใช่เวลานอนมันเป็นเวลาทำสมาบัติ <c oughs>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 เขาทำความผิดไว้เขาต้องมาบวงสรวงก่อนเรา่านําท่านมาส่งมันนํามาส่งแล้วพอมาถึงวัดก็ปลายกฏว่ารงคนทั้งพระเต็มวัดไปหมดพระยอมคัดภงษาขาดภาษากันมากมายตั้งรือก็เขามีความจงรักทั้ดีต่อหลวงพ่พราว่าถึงวัดในแสงวันท่านสั่งตั้งเครื่องบวงสรวง ตอนนั้นบรรยกาศแบบว่าใครจะพูดอะไรกับท่านกขาพูดจะจะพาะในเวลาก่อนที่จะเที่ยงต่นหลังเที่ยงแล้วท่านจะไม่พูดเวลาหกโมงย็นตรงท่านจะลามีภุระอะไรระ บ, บรรดา่านพุทธบ่อยสัตว์ทั้งหลายโดยทุนน่าใครก็จะมีภุระก็รามีความโกรธก็มีคนบางคนตรงนั้นวิ่งเข้าไปใช้เสกยาบ้างเสกน้ำมนตบ้าง ดูตะบรรดาาูพระตกวัสริจัแยะยาตาอยู่แล้วแอ่ยงจะให้สงบสงดก็ยังจะใช่กันอีกถ้าทนมาไม่ใช่ต น, นิตัวสงสายเกรงว่าท่านจะไปนรกเมื่อเวลาบวง ส, งสัวเสร็จหลังจากเวลาเที่ยงวันท่านก็สงบกายสงบใจบรรดาพระเนทั้ทงหลายข้าไปจับที่ใบจรเข้าซ้ า, ายเท้ า, วาขาวามือขาวามือซ้ า, าย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 อยู่กันมาเท่าไรเทาไรทาไมบอกมาบอกอเวลานาทีจะตายต็สั่งเสร็จท่านืงตาพุกบผมอ่าหลับตาลงไปเรืองตาใหม่อีกทีเพราะกนละชิบะจรนในจุดต่อสี่คือมือสองเท้าสองหยุดต้อกันท่านครู ด, ดมสมาใจาก็เรืองตาขึ้นมาบอกว่าลุงพ่อไปดีแล้วเหลือแต่พวกเราจทงนั้นอะไรากันดาท่านพุทบ ร, ริษัททุกท่าน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 Thank <laughs> you.